การที่ท่านทั้งหลายได้มาฟังเทศฟังธรรมกันเป็นประจำมากันอย่างต่อเนื่องก็เพราะว่าท่านมีความยินดีในธรรมนั่นเองความยินดีในธรรมนี้พระพุทธเจ้าทรงตรัสว่าเป็นความยินดีที่ชนะความยินดีทั้งปวงเพราะจะนำให้ท่านได้ไปสัมผัส กับรถแห่งธรรมที่ชนะรถทั้งปวงนั่นเองรถแห่งธรรมนี้เป็นรถของบรล ม, มสุขรถของการไม่มีความทุกข์เจือปนเป็นความสุขที่สะอาดบริสุทธิ์เป็นความสุขที่ถาวรเป็นความสุขของพระนิพพานของผู้สิ้นกิเลส ของผู้หลุดพ้นจากการเวียนว่ายตายเกิด mm hmm. เกิดจากการยินดีในธรรมนี้เองยินดีที่จะมาศึกษาฟังเทศฟั ง, ฟงธรรมยินดีที่จะนำเอาธรรมที่ได้ยินได้ฟังไปปฏิบัติด้วยความอุตสาหะวิริยะความภาคเพียรทมอย่าง เอาจริงเอาจังทำอย่างเต็มที่เต็มร้อยใจก็จะจดจ่ออยู่กับเรื่องของธรรมไม่ไปสนใจกับเรื่องอื่นเรื่องของคนอื่นเรื่องของบุคของสิ่งอื่นๆเป็นเรื่องที่เป็นทุกข์มากกว่าเป็นสุขเป็นเรื่องที่จะผูกให้จิตตั้ง ติดอยู่กับการเวียนว่ายตายเกิดมีเรื่องของธรรมเพียงเรื่องเดียวเท่านั้นที่จะปลดเปลื้องจิตของผู้ปฏิบัติให้หลุดพ้นออกจากการเวียนว่ายตายเกิดได้ให้หลุดพ้นจากความทุกข์ทั้งหลายได้ใจของผู้ที่มียินดีในธรรมจึงจดจ่ออยู่กับเรื่องของธรรมเพียงอย่างเดียว ไม่ไปสนใจกับเรื่องต่างๆเช่นเรื่องของลาบยศสรรเสริญเรื่องของความสุขทางตาหูจมูกิ้นกายเพราะเรื่องราวเหล่านี้จะเป็นเหมือนกับกับดักที่จะทำให้ผู้ยินดีหรือสนใจจะติดอยู่กับการเกิดแก่เจ็บตายไปอย่างไม่มีวันสิ้นสุดนั่นเอง ผู้ที่มีความยินดีในธรรมจึงจะไม่สนใจเรื่องราวต่างๆนอกจากเรื่องของการศึกษาพระธรรมคำสอนและเรื่องของการปฏิบัติตามพระธรรมคำสอนเพื่อให้ได้บรรลุลดแห่งธรรมที่จะเกิดขึ้นเพราะรถแห่งธรรมนี้จะทำให้ ผู้ที่ได้สัมผัสนั้นได้หลุดพ้นจากความทุกข์ทั้งหลายได้หลุดพ้นจากการเวียนว่ายตายเกิดนี่คือสิ่งแรกที่ผู้ที่ปรารถนาที่อยากจะสัมผัสกับรถแห่งธรรมนั้นจะต้องมีคือมีความยินดีในธรรมนั่นเองถ้ามีความยินดีในธรรมแล้วก็จะทําให้เกิดความ พยัญ น, นเพียงความอุตสาหะพยายามที่จะศึกษาที่จะปฏิบัติพอได้ศึกษาได้ปฏิบัติแล้วผลก็จะปรากฏขึ้นมาความยินดีในธรรมนี้หมายถึงให้ยินดีกับธรรมอะไรบ้างธรรมที่พระอุทธเจ้าทรงสอนให้ผู้ ปรารถนาความหลุดพ้นจากการเวียนว่ายตายเกิดหลุดพ้นจากความทุกข์ทั้งหลายให้ยินดีในธรรมดังต่อไปนี้คือ 1. ให้ยินดีในความมากน้อย 2. ให้ยินดีในความสันโดษ ย, ยินดีตามมีตามเกิด 3. ให้ยินดีในการปลีกวิเวกอยู่ตามลําพัง ตามสถานที่สงบสงัดห่างไกลาจากแสงสีเสียงห่างไกลาจากรูปเสียงกลิ่นรสผลพทพะชนิดต่างๆที่คอยทําให้ใจวุ่นวายใจไม่สงบสี่ให้ยินดีในการไม่คุกคีกันเวลาอยู่ด้วยการคุกคีกันแล้วเดี๋ยวก็จะต้องมีการกระทบกระทั่งกัน ทางวาจาบ้างทางการกระทำบ้างแล้วจะทำให้เป็นความพงซ่านขึ้นมาได้ทำให้เป็นอุปสรรคเป็นนิวรต่อการปฏิบัติถ้าไม่คลุกคลีกันอยู่กันตามลำพังนี้จะไม่มีเรื่องราวต่างๆมารบกวนใจแล้วก็ห้าให้ยินดีในการ ทำความเพียรการทําความเพียรก็คือให้เดินจงกรมนั่งสมาธิเพื่อที่จะได้สร้างธรรมต่างๆขึ้นมาเพื่อที่จะได้บรรลุธรรมขั้นต่างๆที่เป็นรถแห่งธรรมที่ชนะรถทั้งปวงแล้วก็หกให้ยินดีในการรักษาศีลรักษาศีล ให้สะอาดบริสุทธิ์เพราะความสะอาดของกายวาจานี้นำความสงบนำความสุขมาให้แล้วก็ให้ยินดีกับการเจริญสมาธิทำใจให้สงบเวลาใจสงบแล้วจะมีความสุขจะได้พบกับรสแห่งธรรมที่เหนือกว่ารสทั้งปวง แล้วก็ให้ยินดีกับการเจริญปัญญาการเจริญปัญญานี้จะทำให้กำจัดสิ่งที่จะมาทำลายความสงบของใจก็คือกิเลสตัณหาความโลภความอยากต่างๆถ้ามีปัญญาปัญญาจะสามารถกำจัดความโลภต่างๆความอยากต่างๆ ความหลงต่างๆให้หมดไปจากใจได้พอใจไม่มีความโลภความโกรธความหลงไม่มีความอยากต่างๆใจก็จะตั้งอยู่ในความสงบไปอย่างท้าวรไม่มีวันเสื่อมให้ยินดีข้อต่อมาก็ให้ยินดีกับวิมุติการหลุดพ้นคือการหลุดพ้นจากความทุกข์ทั้งหลาย ความหลุดพ้นจากการเวียนว่ายตายเกิดเพราะว่านี่จะเป็นการได้ความสุขที่แท้จริงที่ถาวรถ้ายินดีกับลาบยศสรรเสริญยินดีกับความสุขทางตาหูจมูกลิ้นกายก็จะได้ความสุขเพียงชั่วคราวแล้วก็จะต้องมาพบกับความทุกเวลาที่จะต้องสูญเสียหรือเวลาที่ต้องพลาดพลากจาก ลาบยศสรรเสริญจากความสุขทางตาหูจมูกลิ้นกายไปแล้วข้อสุดท้ายก็ให้มีความยินดีกับวิมุตติยานทัทสนะคือยานอย่างรู้ว่าได้หลุดพ้นแล้วจากกิเลสชนิดต่างๆจากความอยากชนิดต่างๆไม่มีความโลภความอยากแล้วอยู่ในใจนี่คือ ทำสิบประการที่พระพุทธเจ้าทรงสอนให้ผู้ที่มีความปรารถนาที่จะพบกับรถแห่งธรรมที่ชนะรถทั้งปวงคือวิมุติการหลุดพ้นจากการเวียนว่ายตายเกิดการหลุดพ้นจากความทุกข์ทั้งปวงเกิดจากการยินดีในความมากน้อย ความมากน้อยก็คือให้ยินดีกับสิ่งที่จําเป็นเท่านั้นไม่ต้องการมากเกินความจําเป็นเช่นปัจจัยสี่อาหารที่อยู่อาศัยยารักษาโรคเครื่องนุ่งหม่มก็พอมีพอใช้ก็พอแล้วไม่ต้องหรูหราม่ต้องมากถ้าเป็นผู้ปฏิบัติธรรมจริงๆนี่มีเสื้อผ้าไว้รักสองสามชุดก็พอแล้ว ชุดหนึ่งไว้ใส่ชุดหนึ่งไว้ซักและชุดหนึ่งไวส้สำรองเผื่อผ้าที่ซักไม่แห้งจะได้มีอีกชุดหนึ่งไวส้สำรองนี่คือความหมายของความมากน้อยเอาให้น้อยที่สุดเพราะยิ่งน้อยเท่าไหร่มันก็ยิ่งมันก็จะไม่เป็นภาะมันก็เป็นภาระน้อยลงไปถ้ามีมากก็จะมีภาระมากต่อการดูแลรักษา มันก็จะดึงเอาเวลาของการปฏิบัติไปถ้ามีน้อยก็จะมีภาระน้อยก็จะมีเวลามากให้กับการเดินจงกลมให้กับการนั่งสมาธิให้กับการเจริญสตินี่คือความหมายของความมักน้อยการรับประทานอาหารก็ให้รับประทานพอประมาณอย่ารับประทานมากเพราะจะทำให้ มีความง่วงเหงาหาวนอนเวลาที่จะมานั่งสมาธิให้รับประทานพอให้ร่างกายอยู่ได้ก็พอถ้าปฏิบัตินี้ท่านจะถือทุดงขวัตคือรับประทานวันละหนึ่งครั้งพอเพียงต่อการที่จะเยียวยาดูแลรักษาร่างกายให้อยู่เป็นปกติสุขได้ แล้วก็ไม่สร้างปัญหาให้กับการปฏิบัติไม่สร้างนิวรณ์คืออุปสรรคเช่นการม่วงเหงาหาวนอนความเกียดครานถ้ารับประทานมากอิ่มมากหนังตาจะหย่อนหนังท้องจะตึงก็จะไม่อยากจะเดินจงกรมไม่อยากจะนั่งสมาธิอยากจะนอน ก็จะไม่ได้ปฏิบัติธรรมแต่ถ้ารับประทานพอประมาณเช่นวันน้ำหนึ่งครั้งนี้ก็เหลือเฟือต่อความต้องการของร่างกายจะทำให้ไม่ง่วงเหงาหานอนจะทำให้ไม่เกลียดครานจะทำให้การปฏิบัติเป็นไปได้อย่างสม่ำเสมออย่างต่อเนื่องที่อยู่อาศัยก็ให้มี พอหลบแดดหลบฝนได้ก็พอไม่จำเป็นที่จะต้องสวยงามเลิศเลยพร้อมเพียงด้วยเครื่องอำนวยความสะดวกความสบายต่างๆาะมีอะไรมากมันก็จะมีภาระมีปัญหามากเดี๋ยวใช้ไปมันก็ต้องเสียเสียก็ต้องซ่อมก็ต้องวุ่นวายกับการคอยเปลี่ยน คอยซ่อมของต่างๆถ้ามีน้อยๆก็จะไม่มีเรื่องที่จะต้องมาคอยบครบกวนใจอย่างพระสงท่านอยู่ตามป่าตามเขาท่านไม่มีอะไรเลยมีเพียงแต่หลังคาไว้กันแดดกันฝนบางทีก็ไม่มีฝ้าไม่มีฝาสมัยวัดป่าบ้านตาสร้างใหม่ๆนี้ จะเป็นกระตอบเล็กๆเป็นมุงด้วยหญ้าแล้วก็ฝาก็ใช้กระดาษถัดกับไม้ไผ่กระดาษปูนกระดาษถุงปูนอันนี้พอที่จะป้องกันลมป้องกันความหนาวเย็นได้ในระดับหนึ่งท่านไม่ต้องการที่จะมาวุ่นวายกับการก่อการสร้าง แล้วก็มาวุ่นวายกับการดูแลรักษาซ่อมบำรุงเอาแบบง่ายๆเพราะในช่วงที่กูบาจารย์เช่นหลวงตาช่วงที่ท่านบำเพ็ญท่านไปทุดงนี้ท่านไม่มีกุติไปด้วยท่านเอาต่กรดกรดนี้ก็เป็นเหมือนกุติกลางร่มกลางกรดออกมาก็กันแดดกันฝนได้แล้วก็มีมุ้งครอบ เป็นเหมือนกับเป็นฝาป้องกันยุงไม่ให้เข้ามากัดได้ท่านอยู่กันแบบนั้นอยู่กันแบบเรียบง่ายอยู่กันแบบมักน้อยแล้วเรื่องอยู่ยาท่านก็ไม่ค่อยกังวลกับมันเพราะท่านนิยมใช้ยาธรรมโอสดยาธรรมโอสถก็คือการใช้ สติใช้สมาธิใช้ปัญญาไว้รักษาเวลาที่เกิดโรคภัยไข้เจ็บขึ้นมาท่านจะทำใจให้สงบแยกใจออกจากร่างกายเพื่อปล่อยวางร่างกายร่างกายจะหายไม่หายก็ปล่อยให้บินเป็นไปตามกฎอนิจจังคือสิ่งใดมีการเกิดขึ้นมาเป็นธรรมดา สิ่งนั้นย่อมมีการดับไปเป็นธรรมดาไม่ว่าจะมียาวิเศษขนาดไหนก็ตามถ้าถึงเวลาที่มันจะไปยาวิเศษเหล่านั้นก็จะไม่สามารถที่จะยับยั้งการไปของร่างกายได้การแยกใจออกจากร่างกายทำใจให้สงบนี้ก็ทำให้ร่างกายนี้หายจากอาการเจ็บไข้ได้ป่วย เวลาใจแยกออกจากร่างกายใจเข้าสู่ความสงบปล่อยให้ร่างกายอยู่ไปตามธรรมชาติของเขาพอจิตถอนออกมาจากความสงบกลับเข้ามาสู่ร่างกายก็จะเห็นว่าอาการดีขึ้นเป็นไข้นี้บางทีไข้ก็หายไปเลยแต่ถ้าจะไม่หายก็ไม่เป็นปัญหาอะไรเพราะ ตัวที่เจ็บนั้นที่รุนแรงที่ร้ายกาดนั้นไม่ใช่ที่ร่างกายตัวที่เจ็บที่รุนแรงที่ร้ายกาดนี้คือใจถ้าใจเจ็บนี่ถึงแม้ว่าร่างกายจะหายเจ็บความเจ็บของใจมันก็ยังทำให้ใจทุกทรมานได้เพราะว่าเวลาหายแล้วก็กลัวจมันจะกลับมาเป็นอีกความกลัว ที่จะต้องเจอโครคภัยไข้เจ็บอีกมันก็จะทำให้ใจทุกข์แต่ถ้าใจมีสติมีปัญญาสามารถแยกกายออกจากใจได้ปล่อยวางร่างกายได้ปล่อยให้ร่างกายเป็นไปตามกฎอ น, นิจจังเกิดแก่เจ็บตายถ้ายังไม่ถึงเวลาตายมันก็จะไม่ตายถ้าถึงเวลาตายก็ไม่มีใครที่จะมาห้ามมันได้ แม้แต่ร่างกายของพระพุทธเจ้าก็เช่นเดียวกันถึงเวลาที่ร่างกายของพระพุทธเจ้าจะต้องตายพระพุทธเจ้าผู้มีคุณวิเศษเหนือโลกทั้งสามก็ยังไม่สามารถที่จะไปะยับยั้งความตายของร่างกายได้แต่ท่านจะไม่มีความทุกข์ไม่มีความวุ่นวายใจใจของท่านสบายไม่เป็นไม่ไม่ได้เป็น ทุกไม่ได้เป็นโรคภัยไข้เจ็บตามร่างกายไปนี่คือการรักษาใจของพระปฏิบัติเวลาที่ท่านไปปีกเวเวกไปทุดงในปา่าอยู่คนเดียวท่านต้องการไปรักษาใจเป็นหลักส่วนร่างกายก็รักษาไปตามอัตภาพถ้ามียาสมุนไพรอะไรพอที่จะฉันได้ก็ฉันไป ถ้าไม่มีก็ปล่อยให้มันรักษาโดยธรรมชาติถ้ามันจะหายมันก็หายได้ถ้ามันไม่หายมันก็ไม่มีทางที่จะทำให้มันหายได้แต่จะรักษาใจรักษาใจไม่ให้ทุกข์กับความเป็นไปของร่างกายถ้าถึงเวลาที่ร่างกายจะต้องตายไปในขณะนั้นใจจะไม่ทุกข์กับมัน ถ้าใจมีธรรมโอสดในที่สุดไม่ช้าก็เร็วร่างกายก็ต้องตายจากใจไปถ้าใจยังไม่มีธรรมโอสถก็จะต้องทุกวุ่นวายไปตั้งแต่ที่ยังไม่ตายไปจนถึงเวลาที่ร่างกายตายไปท่านเห็นปัญหาตรงนี้ท่านจึงเน้นที่การสร้างธรรมโอสถขึ้นมาเพื่อรักษาใจ ร่างกายนี้รักษาไปก็บางทีก็รักษาได้บางทีก็รักษาไม่ได้รักษาได้ก็ต้องไปเจอตอนที่รักษาไม่ได้ต่อไปในที่สุดมันก็ต้องตายไปแต่ใจที่มีธรรมโอสถนี้จะไม่ทุกข์ไม่วุ่นวายใจไปกับความเจ็บไข้ได้ป่วยของร่างกายและความตายของร่างกาย ใจก็จะหลุดพ้นจากเรื่องของร่างกายได้นี่คือธรรมโอสดของผู้ปฏิบัติของผู้ที่มีความมากน้อยเวลาท่านไปทุดงนี่ท่านไม่ขนยาไปเป็นตู้ท่านไปตัวเปล่าไปเอาของเท่าที่จำเป็นไปือเอาอัริบริการไปเท่านั้นเพราะเป็นสิ่งที่จำเป็นจำเป็นจะต้องมีบาตรไว้สำหรับ เบนทบาตมีผ้าไตจีวรไว้สำหรับนุ่งหม่มมีปราคตเอวไว้สำหรับรัดรัดเอวมีมีดโกนไว้สำหรับตรงผมและวงหนวดมีเข็มกลับได้ไว้สำหรับปะเย็บจีวรและมีที่กรองน้ำไว้สำหรับตักน้าจากลาธารลาห้วย เพราะว่าในลําธารลําห้วยนี้จะมีตัวสัตว์เช่นลูกน้ําถ้าไม่มีที่กรองตักขึ้นมาก็จะตักเอาตัวลูกน้ําเอาตัวสัตว์ขึ้นมาด้วยก็จะไม่สามารถดื่มน้ํานั้นได้แต่ถ้ามีที่กรองน้ําแล้วก็จะตักน้ําที่ไม่มีตัวสัตว์ขึ้นมาได้ก็ใช้ดื่มใช้รับประทานใช้บริโภคได้นี่คือสมบัติที่พระทุดงท่านมี นี่คือความมักน้อยของพระธุดงค์มีเท่ามีสมบัติเพียงแปดชิ้นก็พอเพียงต่อการที่จะสนับสนุนร่างกายให้อยู่ได้อย่างปกติสุขให้ร่างกายมีกำลังวังชาที่จะปฏิบัติธรรมเพื่อจะได้บรรลุถึงลดแห่งธรรมที่ชนะรดทั้งปลืงได้นี่คือตัวอย่างของ ความมักน้อยของผู้ปฏิบัติให้มีสิ่งที่จำเป็นจริงๆเท่านั้นสิ่งที่ไม่จำเป็นอย่าไปมีมันเพราะมีแล้วมันจะเป็นภาระต่อการที่จะต้องคอยดูแลรักษาจะอาดึงเวลาของการปฏิบัติไปส่วนสันโดษนี้ก็คือให้ยินดีตามมีตามเกิด ถึงแม้ว่าจะมากน้อยแล้วแต่ยังยังไม่ได้ไม่ครบตามที่ต้องการเช่นขาดบางอย่างก็ให้พอใจกับการขาดแคลนนั้นเช่นบินทบาตบางวันอาจจะได้อาหารไม่พอฉันพอไปอยู่กับชาวป่าชาวเขาคนยากคนจนบางทีเขาก็ไม่มีอะไรจะใส่บาตรให้เขาก็ใส่แต่ข้าวเปล่า ก็ยินดีไปตามมีตามเกิดไม่ไปวุ่นวายใจกับอ า, อาหารที่ได้มาจากบินทบทัตถ้าพอเลี้ยงดูร่างกายดับความหิวได้ก็พอใจแล้วยิ่งรับประทานน้อยกับยิ่งดีเพราะทำให้ตัวเบาใจเบาทำให้ไม่เกียดคร้านทำให้ไม่ง่วงเหงาเหานอน อันนี้ประโยชน์ของการที่มีความมากน้อยสันโดษจะส่งเสริมการปฏิบัติธรรมให้เป็นไปได้อย่างสะดวกสบายพอมีความมากน้อยความสันโดษแล้วก็ไปปรีกวิเวกไปหาที่สงบห่างไกลจากเรื่องราวต่างๆโดยเฉพาะแสงสีเสียงห่างไกลจากราบยศสรรเสริญ ห่างไกลจากรูปเสียงกลิ่นรสโผฏพะห่างไกลจากบุคคลนั้นบุคคลนี้สิ่งนั้นสิ่งนี้เพราะเวลาอยู่ใกล้กันแล้วมักจะมีปัญหาตามมาต่อไปถ้าต่างคนต่างอยู่ก็จะไม่มีปัญหาขอให้คิดว่าตายจากกันไปเถิดผู้ปฏิบัติธรรมนี้ต้องถือว่า ไนตายจากเพศที่เคยเป็นอยู่แล้วคือเพศของคารวะผู้ครองเรือนจะมาอยู่เป็นเพศของนักบวชถึงแม้ว่าจะไม่ได้บวชที่เป็นรูปแบบเช่นเป็นพระภิกษุหรือเป็นภิกษุณีก็สามารถถือว่าตนเองเป็นนักบวชได้ถ้าปฏิบัติธรรมแล้วก็ถือศีลแปดขึ้นไปอันนี้ก็เป็นเรื่องของนักบวช นักปฏิบัติธรรมนักปฏิบัติธรรมนี้ถือว่าตนเองได้ตายจากบุคคลที่เกี่ยวข้องแล้วเช่นเวลามาบวชเป็นพระภิกษุนี้ท่านให้เปลี่ยนชื่อเปลี่ยนนามสกุลให้เปลี่ยนนามสกุลก็มีนามสกุลอะไรพระอุปัชฌายะจะมอบนามสกุลใหม่ให้เพื่อจะได้ดูว่าตนเองนี้ไม่ได้เป็น ส่วนหนึ่งของครอบครัวแล้วตนเองได้ตายจากครอบครัวนั้นแล้วและได้มาเกิดในครอบครัวของพระพุทธเจ้าเป็นลูกของพระพุทธเจ้าแล้วอันนี้ผู้ปฏิบัติควรที่จะมีความคิดแบบนี้จะได้ไม่ต้องไปกังวลกับบุคคลต่างๆที่ รู้จักที่มีความเกี่ยวข้องมีความผูกพันด้วยเพราะถ้ายังตัดไม่ขาดมันก็จะทำให้จิตใจไม่สงบจิตใจก็จะวิตกกังวลห่วงใยคิดถึงบุคคล น, นั้นบุคคล น, นี้อยู่เรื่อยๆแทนที่จะมาทำใจให้ว่างทำใจให้ตั้งอยู่ในปัจจุบันก็มัวแต่ไปคิดถึงเรื่องอดีต ที่เกี่ยวข้องกับบุคคล น, นั้นบุคคล น, นี้ไปกังวลกับความรู้สึกนึกคิดของเขาว่าเขาจะคิดอะไรกับเราเขาจะคิดว่าเราไม่ดีหรือเปล่าคิดว่าเราทอดทิ้งเขาหรือเปล่าคิดว่าเราเห็นแก่ตัวหรือเปล่าความคิดเหล่านี้นี่แหละที่เรียกว่าเป็นนิวรนเป็นความพุ่งซ่า เราต้องคิดแบบพระพุทธเจ้าเราต้องเอาแบบพระพุทธเจ้ามาเป็นแบบฉบับเลพระพุทธเจ้าท่านก็มีครอบครัวเหมือนกับเรามีแต่ท่านตัดได้เพราะท่านมองว่าเหมือนกับตายจากกันนั่นเองคนเราทุกคนเกิดมาแล้วไม่ช้าก็เร็วก็ต้องตายจากกันไม่ตายวันนี้ก็ต้องตายพรุ่งนี้ถ้าคิดอย่างนี้แล้วก็จะได้ไม่ต้องมากังวล สมมติเกิดเราตายขึ้นมาวันนี้เราจะมากังวลไม่ว่าเขาจะคิดยังไงกับความตายของเราเขาจะว่าเราเห็นแก่ตัวหรือเปล่าเขาไม่สนใจหรอกพอเราตายจริงๆสักสองสามวันเขาก็ลืมเราแล้ ว, ลวดังนั้นอย่าไปให้ความสำคัญกับบุคคลต่างๆที่เรารู้จักเกี่ยวข้องด้วยเลยเขาไม่มีความสนใจจริงๆหรอก เขาสนใจแต่เรื่องของเขาตัวของเขาเขาดิ้นรนหาความสุขให้กับตัวของเขานี่ยส่วนความสุขความทุกข์ของคนอื่นนี่เขาไม่ค่อยให้ความสําคัญด้วยดังั้นอย่าไปห่วงใยกันเลยให้ห่วงตัวเราดีกว่าถ้าตัวเรานี้ยังวุ่นวายยังไม่สงบควรจะมาห่วงใจของเราดีกว่า ควรจะมาทำใจของเราให้สงบดีกว่าด้วยการลืมเรื่องราวต่างๆรืมบุคคลต่างๆไปอย่าไปกังวลกับความรู้สึกนึกคิดของเขาเราไปสั่งไม่ได้ห้ามไม่ได้ความรู้สึกนึกคิดของเขาเขาก็รู้สึกคิดไปตามอารมณ์ของเขาตามระดับสติปัญญาของเขาถ้าเรามัวตามมากังวลกับความรู้สึกนึกคิดของผู้อื่น เราจะไม่สามารถที่จะเดินไปในทางที่พระพุทธเจ้านี้เดินไปได้เลยถ้าเราไม่พิจารณาว่าเขากับเราไม่ช้าก็บเร็วก็ต้องจากกันเป็นอ น, นิจจังเขาจะคิดอะไรจะพูดอะไรจะทำอะไรเราก็ห้ามไม่ได้เป็นอนัตตาถ้าเราไปกังวลเราไปอยากให้เขาคิดดีกับเราเข้าใจเรา แล้วเขาไม่เป็นอย่างที่เราต้องการก็จะเกิดความทุกข์ใจขึ้นมานี่เรียกว่าอนิจจังทุกขังอนัตตาต้องพยายามเห็นอนิจจังทุกขังอนัตตาในทุกสิ่งทุกอย่างในทุกบุคคลแล้วเราก็จะได้ตัดความวุ่นวายใจที่เราไปกังวลกับเขาได้ในที่สุดไม่กี่ปีต่อจากนี้ไปก็ตายกันหมดแล้ว มีใครอยู่บ้างอีกห้าสิบปีนี่เรามานัดประชุมกันดูซิว่าจะมีใครกลับมาบ้างเอให้คิดอย่างนี้บ้างแล้วมามาห่วงมากังวลกันทําไมห่วงไปกังวลไปเดี๋ยวตายไปก็ลืมกันหมดแล้วก็ไปกันคนละทิศคนละทางแล้วทาไมเวลาอยู่ด้วยกันอยู่กันแบบไม่ห่วงไม่กังวลไม่ได้แล้วยังไงทําไมต้องห่วงต้องกังวลกันอยู่ไปตามสบายต่างคนต่างอยู่ ต่างคนต่างคิดต่างคนต่าง ม, มีความรู้สึกเขาอยากจะคิดอะไรก็ปล่อยเขาคิดไปเขาจะรู้สึกอย่างไรก็ปล่อยเขารู้สึกไปส่วนเรามีความคิดอย่างไรมีความรู้สึกอย่างไรเราก็ทำของเราไปอันไหนทำให้เราหลุดพ้นจากความทุกข์เราก็ทาอย่างนั้นไปไม่ดีกว่าเลอดีกว่ามาทุกข์กับเรื่องของเขาทาไมเรื่องกับความคิดของเขาทาไมเรื่องกับของความรู้สึกของเขาทาไม มาคิดถึงเรื่องความรู้สึกของเราความทุกข์ของเราไม่ดีกว่าว่าตอนนี้เรากำลังสุขหรือกาลังทุกข์เรากำลังสงบหรือเรากำลังฟุ้งซ่านนี่คือเรื่องของนักปฏิบัติต้องพยายามดูตนเองอยู่เรื่อยๆอย่าไปดูคนอื่นพอไปดูคนอื่นแล้วก็จะเืิมริมดูตัวเองพอตัวเองวุ่นวายขึ้นมาก็ไม่รู้เสียด้วยซ้าว่าตัวเองกาลังวุ่นวายกินไม่ได้นอนไม่หลับ ก็ยังไปกังวลกับเรื่องของคนอื่นอยู่ไปกังวลว่าเขาจะคิดอย่างไรเขาจะลูกสึกอย่างไรไม่มากังวลกับใจของตนเลยว่าตอนนี้กําลังวุ่นวายกําลังมีความเศร้าหมองมีความท้อแท้เบื่อหน่ายทําไมไม่มาแก้ตรงนี้วิธีแก้มันง่ายจะตายไปหยุดความคิดปรุงแต่งหยุดไปคิดถึงเรื่องราวต่างๆบุคคลต่างๆเท่านั้นเองกลับมาตั้งให้มันตั้งอยู่ในปัจจุบัน อย่าไปไปหาอดีตอย่าไปหาอนาคตให้อยู่ปัจจุบันให้อยู่กับคำบริกรรมพุทโธก็ได้หรือจะใช้คำบริกรรมว่าอยากคิดอยากคิดก็ได้ถ้ามันคิดก็บอกอยาคิดอยาคิดมันคิดที่ไรก็บอกอยาคิดอยาคิดเตือนสติไปเรื่อยว่าอยากคิดอยาคิดถ้าทำให้ใจหยุดคิดได้ใจสงบ ความวุ่นวายใจต่างๆมันก็จะหายไปหมดเราก็จะเหลือแต่ความสงบเหลือแต่ความสุขความสบายใจเราก็จะเห็นโทษว่าความทุกข์ทั้งหลายไม่ได้อยู่ที่คนนั้นคนนี้หรอกอยู่ที่ใจของเราดันไปคิดถึงเขาเองไปคิดว่าเขาจะคิดอย่างนั้นคิดอย่างนี้เขาจะรู้สึกว่ารู้สึกกับเราอย่างนั้นรู้สึกกับเราอย่างนี้ มันเกิดจากความคิดของเราทั้งนั้นที่ไปคิดเขาอยู่นู่นเราอยู่ตรงนี้แต่เรากลับไปวุ่นวายกับความรู้สึกนึกคิดของเขาแทนที่จะมาวุ่นวายกับความรู้สึกนึกคิดของเราที่เป็นตัวสร้างความวุ่นวายใจให้กับเราเรากลับมองไม่เห็นเพราะมัวหลงติดอยู่กับเรื่องของเขาเลยลืมมาลืมมามองเรื่องของเราไปนี่ก็คือเรื่องของการไปปีกวิเวก ไปให้มันอยู่ห่างไกลจากเรื่องราวของคนนั้นคนนี้สิ่งนั้นสิ่งนี้พอมันอยู่ห่างไกลกันแล้วมันก็จะลืมพอลืมแล้วมันเรื่องราวต่างๆที่เกิดขึ้นกับสิ่งต่างๆบุคคลต่างๆมันก็จะหายไปจากใจใจก็จะว่างเย็นสบายถ้านั่งเฉยๆจิตกะรวมได้เป็นหนึ่งเป็นสมาธิขึ้นมา พอจิตสงบรวมเป็นหนึ่งก็จะได้พบกับรสแห่งธรรมที่ชื่นวรสทั้งปวงรสที่เกิดจากความสงบนี้เองที่เป็นรสแห่งธรรมล้วก็จะรู้เลยว่าไม่มีอะไรที่จะดีที่จะวิเศษเท่ากับความสงบแล้วก็จะเห็นโทษของสิ่งต่างๆที่ไปหลงยึดติดไปหลงรลักไปหลงชอบแล้วก็ไปหลงทุกข์แล้วก็ไปทุกข์กับเขา ว่ามันเป็นเรื่องของความทุกข์ทั้งนั้นไม่ใช่เป็นเรื่องของความสุขเลยเรื่องของความสุขนี้อยู่ที่ความสงบนี้เองพอจิตสงบจิตลืมเรื่องราวต่างๆลืมบุคคลต่างๆไปแล้วก็สบายบุคคลต่างๆเรื่องราวต่างๆจะเป็นอะไรมันก็ไม่เกี่ยวข้องกับเราแล้วเราก็ไปห้ามเขาไม่ได้ เขาจะเป็นเขาจะตายเขาจะเจริญจะเสื่อมเรา Việt, ก็ไปห้ามเขาไม่ได้เขาจะชอบเราหรือเขาจะเกลียดเราเราก็ไปห้ามเขาไม่ได้แต่ถ้าใจเราสงบแล้วเราไม่กงังวลเราไม่เดือดร้อนใครจะชอบใครจะเกลียดเราก็ได้ใครจะเป็นใครจะตายก็ได้ใครจะเจริญใครจะเสื่อมก็ได้ถ้าใจที่เป็นใจที่สงบแล้วจะไม่มี ตปติกริยากับสิ่ง ต, งต่างๆที่มาสัมผัสรับรู้ใจจะเป็นกลางเป็นอุเบกขาตลอดเวลานี่คือสิ่งที่ผู้ปฏิบัติควรจะพุ่งเป้าไปคือความสงบความว่างความเป็นอุเบกขาของใจจะว่างจะสงบได้ต้องหยุดความคิดปรุงแต่งให้ได้อย่าปล่อยให้ใจคิดคิดแล้วมันก็จะสร้างความพุ่งสร้างขึ้นมา สร้างอารมณ์ต่างๆขึ้นมาซึ่งมันเป็นของปลอมันของหลอกสร้างขึ้นมาเองคิดไปเองแล้วก็วุ่นวายไปกับมันเองพอดับมันปับ๊บมันก็หายไปดับมันให้ได้อย่าไปปล่อยให้มันชักจูงให้เราเกิดอารมณ์ต่างๆขึ้นมาถ้าไม่มีความคิดปรุงแต่งแล้วมันจะไม่ทำให้เรามีอารมณ์ต่างๆ แล้วถ้าเราหยุดความคิดตรุงแต่งได้ต่อไปเราก็สามารถสั่งให้มันคิดไปในทางที่ทําให้เราปล่อยวางได้ทําให้เราไม่ต้องวิตกกังวลกับคนนั้นคนนี้กับสิ่งนั้นสิ่งนี้ได้เพราะเราจะสั่งให้มันคิดไปในทางอนิจจังทุกขังอนัตตาตลอดเวลาคิดถึงใครก็บอกว่าเดี๋ยวเขาก็ตายแล้วเขาจะเป็นจะตายเขาจะดีจะชั่วเราก็ห้ามเขาไม่ได้ เขาจะรักเขาจะชังเราเราก็ไปห้ามเขาไม่ได้ก็ปล่อยเขาไปตามเรื่องของเขาเท่านั้นเองใจจะไม่มีความวุ่นวายไปกับใครทางนั้นใครจะชมใครจะด่าก็เป็นเรื่องของเขาเราไปห้ามเขาไม่ได้เหมือนฝนตกแดดออกเราไปห้ามมันได้หรือปเปล่าเวลาฝนมันจะตกเวลาแดดมันจะออกนี่เราไปสั่งมันได้หรือเปล่าทำไมเราไม่ไปวิจกกับเรื่องฝนตกแดดออก ก็เพราะเรารู้ว่าเราไปสั่งมันไม่ได้ห้ามมันไม่ได้มันก็แบบเดียวกับเรื่องของคนที่มารักเรามาชังเราแล้วก็ไปห้ามเขาไม่ได้เขาจะรักเลยเขาจะเกลียดเราเราไปห้ามเขาไม่ได้แต่ขอให้เรารู้ว่าเราทำตัวของเราดีแล้วก็เล้ากันถ้าเราไม่ดีเราก็ต้องแก้ไขที่ตัวเราด้วยเช่นถ้าเราเป็นคนเห็นแก่ตัวคนเอารัดเอาเปรียบคนไม่มีศีลไม่มีธรรมแล้วทาให้คนเขาโกรธ คนเขาเกลียดลังเกียดเราอันนี้เราก็ต้องแก้ไขแต่ถ้าเราดีอยู่แล้วเช่นเราเป็นนักปฏิบัติเราไม่ไปยุ่งกับใครอยู่แล้วเราเดินจงกรมนั่งสมาธิรักษาศีลของเราอยู่เป็นปกติเราไม่ได้ไปทําอะไรให้ใครเสียหายเราก็ไม่ต้องไปแก้อะไรก็มาแก้ที่ความพุ่งสร้างตัวนี้เท่านั้นตัวความคิดที่มันมักจะคิดก่อเรื่องก่อเรามาเหยียบย่ำจิตใจของเราอยู่ตลอดเวลาไม่มีอะไรที่มาเหยียบย่ำจิตใจของเรา นอกจากความคิดของเราเองคิดไปแล้วมันก็เหยียบไปหยุดคิดมันก็ไม่มันก็ไม่เหยียบฉะนั้นต้องคอยมีสติคอยดูใจอยู่เรื่อยว่าตอนนี้ใจสงบหรือใจฟุง้งซ่านใจคิดเลื่อยเปื่อยคิดไปคิดมาเดี๋ยวก็เกิดความเสียอกเสียใจขึ้นมาเกิดความวิตกเกิดความกังวลขึ้นมานี่เพราะว่าคิดโดยไม่มีปัญญา ถ้าคิดด้วยปัญญานี้มันจะไม่มีวันที่จะมีความอวิตกกังวลเศร้าโศกเสียใจอะไรเอาวรเพราะมันจะเห็นว่าทุกอย่างไม่เที่ยงตัวอย่างไม่ใช่เป็นของเราอจะไปอยากให้มันเที่ยงอยากให้มันเป็นของเราก็ทุกข์ไปเปล่าๆเพราะมันไม่เป็นมันไม่มีวันที่จะเป็นของเราได้เช่นร่างกายนี้มันเป็นของเราหรือเปล่าถ้ามันเป็นของเรามันก็ต้องอยู่กับเราไปเรื่อยๆ แล้วทําไมวันดีคืนดีมันก็ไปเป็นของสั ป, ปเหล่าไปแนละ้วไม่มีใครอยากจะได้ร่างกายของคนตายแลนะแม้แต่สามีภรรยาที่รักกันกันกันขนาดไหนพอถึงเวลาร่างกายตายไปเขาก็ไม่เอาแลนะเขาก็ยกให้สับเปล่ายกให้วัดไปแล้วมันเป็นของเราตรงไหนพิจารณาอย่างนี้ไปสิมันจะได้ปล่อยวางขนาดร่างกายไม่เป็นของเราแล้วร่างกายของคนอื่นก็จะมาเป็นของเราได้อย่างไร ร่างกายของสามีเราของภรรยาเราของลูกเราของพ่อของแม่เราของเพื่อนเราเป็นของเราได้ที่ไหนมันก็ไม่ได้เป็นเดี๋ยวในที่สุดมันก็ต้องกลับคืนสู่เจ้าของเดิมก็คือดินน้ำลมไฟเท่านั้นเองธาตุสี่ธาตุสี่เป็นผู้สร้างร่างกายขึ้นมาทำให้มีอาการสามสิบสองแล้วพอร่างกายหยุดทำงานธาตุสี่ก็แยกทางกันไป ้าน้ำก็ไหลออกมาธาตุไฟก็ไหลหายไปธาตุลมก็หายไปเหลือแต่ธาตุดินนี่คือเรื่องของสิ่งต่างๆที่มีอยู่ในโลกนี้ที่เราเกี่ยวข้องด้วยถ้าเราเห็นว่ามันเป็นใจรักเป็นเห็น น, นิจจังทุกขังอนัตตาเราจะไม่มีวันที่จะทุกข์กับเขาเลยแต่ถ้าเราไปเห็นว่าก็เป็นนิจจังสุขขังอัตตาขึ้นมานี้จะทุกข์ขึ้นมาทันที พอเวลามันไม่ได้เป็นตามที่เราต้องการเวลาที่เราต้องการให้เขาเป็นนิจจังเขาไม่เป็นเวล า, เาต้องการให้เขาเป็นสุขขังเขาไม่เป็นเวลาให้เขาเป็นของเราเของไม่เป็นขึ้นมานี้ก็จะต้องเศร้าโศกเสียใจเอเสียอกเสียใจร้องหม่มร้องไห้กินไม่ได้นอนไม่หลับดีไม่ดีถึงกับอยากจะฆ่าตัวตายซะอีกเนี่ยเรื่องของปัญหาของใจที่ถ้าไม่มีไม่มีสติคอยควบคุมใจ คอยควบคุมความคิดแล้วไม่มีปัญญาคอยสอนใจให้คิดไปในทางที่ถูกก็มักจะคิดไปในทางที่ผิดกันแล้วก็สร้างความทุกข์สร้างความเดือดร้อนให้กับใจไม่รู้จักจบจากสิ้นตายไปก็ไม่หยุดตายไปก็ยังไปเกิดใหม่ต่อไปไปคิดใหม่ต่อไปทุกข์ใหม่ต่อไปเกิดแก่เจ็บตายใหม่ต่อเพราะใจไม่มีวันหยุดไม่ยอมหยุดคิดนั่นเอง ถ้าไม่หยุดคิดความอยากมันก็ไม่หยุดเวลาตายไปความอยากมันก็จะผลักดันให้ใจไปเกิดใหม่พอยังอยากดูอยากฟังอยากลิ้มรส ด, ดมกลิ่นอยากเสพกับรูปเสียงกลิ่นรสอยู่ก็ต้องไปหาตาหูจมูกลิ้นกายมาเป็นเครื่องมือในการเสพก็ต้องมีร่างกายก็ต้องมีการเกิดพอเกิดแล้วก็ต้องมาแก่มาเจ็บมาตายมาวุ่นวายกับคนนั้นคนนี้ วนวายกับเรื่องนั้นเรื่องนี้ก็วนไปเวียนมาอยู่อย่างนี้มาก็เก่งมาไม่รู้กี่พันล้านครั้งแนละ้วแล้วก็จะเป็นอย่างนี้ไปต่อไปถ้าไม่เชื่อพระพุทธเจ้าถ้าไม่ไปปีกวิเวกไปอยู่ตามลําพังเอไปเจริญสติไปควบคุมความคิดปรุงแต่งทําใจให้สงบทําใจให้เย็นทําใจให้สบายแล้วก็ใช้ปัญญาคอยกําจัดความโลภความโกรธ ต, ต่างๆที่จะ โผลขึ้นมาเพราะว่าสตินี้ไม่สามารถที่จะทำลายความโลภความโกรธความอยากต่างๆได้เพียงแต่กดมันไว้หยุดมันไว้ได้ชั่วคราวเหมือนหินทับหญ้าแต่พอยกหินขึ้นมาหญ้ามันก็จะงอกเงยขึ้นมาใหม่ได้เวลาสติหยุดความคิดได้ความโลภความอยากต่างๆก็หยุดชั่วคราวพอสติอ่อนกำลังลงความคิดเกิดขึ้นมา ก็คิดไปในทางโลภความอยากได้ถ้าไม่อยากให้คิดไปในทางโลภความอยากก็ต้องใช้ปัญญาสอนใจสอนว่าสิ่งที่เราอยากได้นั้นมันเป็นทุกข์ทั้งนั้นทุกข์เพราะว่ามันไม่เที่ยงได้มาแล้วเดี๋ยวมันก็เสียไปเวลาเสียไปก็ร้องห่มร้องไห้เวลาได้มาก็ดีอกดีใจถ้ามันไม่ได้มันไม่ใช่เป็นของเราถ้าไม่ให้มันไปไม่ได้เมืถึงเวลามันจะไปมันก็ไป มันเป็นอนัตตามันไม่ใช่เป็นของเราใครคิดว่ามันเป็นอนิจจังเป็นอ น, อนัตตาแล้วถ้าไปอยากให้มันเป็นนิจจังเป็นอนัตตามันก็จะทุกข์ขึ้นมาส่วนใหญ่พอเราได้อะไรมาแล้วเรามักอยากจะให้มันเป็นของเราไปเรื่อยๆอยากจะให้เราให้มันดีไปเรื่อยๆไม่ให้มันเสื่อมไม่ให้มันเปลี่ยนแปลงแต่ไม่มีอะไรในโลกนี้ที่ไม่เสื่อมไม่เปลี่ยนแปลงไม่มีอะไรที่จะไม่จากเราไปหรือเราต้องจากเขาไป ให้คิดแบบนี้แล้วจะทำให้ใจนี้ไม่มีความทุกข์ความทุกข์เกิดจากความอยากของใจนี้เองและความอยากก็เกิดจากความหลงที่ไม่เห็นอนิจจังทุกขังอนัตตาไปเห็นว่าเป็นนิจจังสุขขังอัตตามันก็เลยต้องผิดหวังเราไปเห็นสิ่งที่เรามีว่าเป็นเป็นนิจจังเป็นของถาวรแต่พอมันไม่ถาวรขึ้นมาเราก็เสียใจทุกข์ใจ เพราะเราไม่เห็นความจริงเราไม่เห็นอนิจจังเราไปเห็นเราเห็นมันเป็นนิจจังเราเห็นมันเป็นอัตตาเป็นของเราเราไม่ได้ไปเห็นว่ามันเป็นอนัตตาพอมันเปลี่ยนไปมันไม่ให้ความสุขกับเราเราก็เลยทุกข์ขึ้นมานี่คือเรื่องของการบมเพ็ญเพื่อที่ให้เราจะได้พบกับรถแห่งธรรมที่ชนะรถทั้งปวง คือความสงบของใจความป่าสจากความโลภความโกรธความหลงความป่าสจากทัณหาความอยากต่างๆที่เป็นต้นเหตุของความวุ่นวายใจของความทุกข์ใจเราต้องใช้ธรรมที่พระเจ้าทรงสอนนี้มาเป็นเครื่องกำจัดมันใช้ความมักน้อยใช้ความสันโดษใช้การปริกวิเวกใช้การไม่คลุกคลีกันไม่สังคมกันต่างคนต่างอยู่ อยู่กันตามลำพังถึงแม้จะอยู่ในสถานที่เดียวกันก็ไม่ไปสนทนาไม่ไปไปทำไปเกี่ยวข้องกันต่างคนต่างปฏิบัติหน้าที่ของตนถึงแม้เวลาจะออกมาร่วมปฏิบัติหน้าที่เช่นช่วยกันทำความสะอาดกุฏิหรือโงครัวหรืออะไรก็ตามก็ต่างคนต่างทำกันไปไม่คุยกันไม่สนทนากัน มีสติอยู่กับงานที่ตนเองทําอยู่คอยควบคุมความคิดต่างๆเพราะถ้าไปสนทนาไปคุยกันแล้วเดี๋ยวมันก็ปรุงแต่งขึ้นมาแล้วเดี๋ยวพอไปสนทนากันในเรื่องที่ขัดใจกันเดี๋ยวก็เกิดทะเลาะวิวาสกันขึ้นมาอีกเกิดอารมณ์ต่างๆขึ้นมาอีกงั้นอย่าไปมีปฏิสันฐานกับใครนักปฏิบัตินี้จะรู้สึกว่าเป็นเหมือนกับคนไม่มีปฏิสันฐาน ไม่ใช่เป็นคนเป็นนักสังคมนักปฏิบัตินี้เป็นนักโดดเดียวชอบอยู่คนเดียวไม่ชอบยุ่งกับใครเพราะยุ่งแล้วมันมีเรื่องทําให้วุ่นวายใจถ้าไม่ยุ่งแล้วใจมันจะเย็นใจจะว่าใจจะสงบปิกวิเวกแล้วก็อยากคุกคีกันแล้วก็พยายามรักษาศีลให้บริสุทิ์ถ้าเป็นนักปฏิบัติก็ต้องศีลแปดขึ้นไป ศีลแปดศีลสิบศีลสองร้อยิบเจ็ดอันนี้เป็นศีลของผู้ปฏิบัติธรรมมีศีลแล้วก็พยายามเจริญสติให้มากเพื่อทําใจให้สงบให้เป็นสมาธิให้รวมเป็นหนึ่งให้ได้ถ้าจิตรวมเป็นหนึ่งก็จะเข้าสู่ความสุขที่เหนือกว่าความสุขทั้งปวงหรือเข้าสู่รสแห่งธรรมที่ชนะรถทั้งปวงเมื่อได้พบกับรถแห่งธรรมที่ชนะรถทั้งปวงแล้ว ทั้นต่อไปก็ต้องใช้ปัญญารักษาเหมือนไว้ต่อไปเพราะเวลาออกจากความสงบมาใจก็จะถูกกิเลสตัณหามาคอยหลอกล่อให้ไปหาความสุขจากสิ่งนั้นสิ่งนี้จากบุคคล น, นั้นบุคคล น, นี้ก็ต้องใช้ปัญญาบอกว่าอย่าไปไปแล้วจะไปเจอความทุกข์เพราะว่าสิ่งที่ได้นี่จะต้องมีวนันพัดพรากจากกันมีวันสิ้นสุดสู้อยู่กับความสงบนี้ดีกว่าที่ไม่มีวันสิ้นสุด อนมีปัญญาก่อยเตือนใจความโลภความโกรธความหลงความอยากต่างๆก็จะไม่สามารถมาหลอกให้ใจไปหาสิ่งต่างๆเพื่อให้สร้างความทุกข์ให้กับใจได้เมื่อไม่ไม่ทำตามความอยากต่อไปความอยากต่างๆก็จะหมดไปเมื่อหมดแล้วก็จะไม่มีตัวที่จะมาสร้างความทุกข์สร้างความวุ่นวายใจให้ใจก็จะหลุดพ้นจากความทุกข์ได้อย่างสมบูรณ์แบบ ห ล, หลุดพ้นได้อย่างถาวรเข้าสู่บรมมรุสุได้อย่างถาวนาราาว น, นี่คือผลที่เกิดจากการยินดีในธรรมพระพุทธเจ้าและพระอาหารหันตสาวกทั้งหลายตั้นได้สัมผัสกับรถแห่งธรรมนี้แล้วว่าเป็นรถที่ชนะรดทั้งปวงชนะรถของลาบยศสรรเสริญชนะรถของรูปเสียงกลิ่นรถโพดพบะ ท่านถึงสละลาบยศสะละเสริญสละรูปเสียงกลิ่นรสไปได้อย่างไม่มีความรู้สึกเสียดายเพราะท่านมีสิ่งที่ดีกว่าคือรถแห่งธรรมที่ชนะรถทั้งปวงรถแห่งธรรมนี้ก็จะเป็นสิ่งที่พวกเราจะได้รับกันถ้าเรามีความยินดีในธรรมสิบประการที่ได้แสดงไว้ในวันนี้คือมีความยินดีในความมักน้อยความสันโดษ ย, ยินดีในการปรีกวิเวก ยินดีในการไม่คุกคีกันยินดีในการทำความเพียรยินดีต่อการรักษาศีลยินดีต่อการทำใจให้สงบเป็นสมาธิยินดีต่อการเจริญปัญญาและยินดีต่อ ว, ว, วิมุติการหลุดพ้นและยินดีต่อวิมุติญาณนะทัศนะคือญาณที่อย่างรู้ว่าตนเองได้หลุดพ้นแล้วจากความอยากทั้งหลายจากความโลภความโกรธทั้งหลาย นี่คือเรื่องของการมีความยินดีในธรรมจะนําให้เราได้ไปพบกับรสแห่งธรรมที่ชนะรสทั้งปวงคือรสของการสิ้นสุดของความทุกข์ทั้งหลายรสของการสิ้นสุดของการเวียนว่ายตายเกิดการแสดงก็คิดว่าพอสมควรแก่เวลาจึงขอยุติไว้เพียงเท่านี้ขออนุโมทนาให้พร ยะถาวาริวาฮาปุราปริปุเรนติสาค a ลังเอวเมวะอิโตทินังเปตาหนังอุปกปติอิชีตังปฏิตังตุมหังคึก a เมวะสมิจจโตสัพเพปุเรนตสังกปายันโทปนาหราโสย h ถามานิโชติ รโสยถาสพิตโยววัจันตสัพพโรโควนัสตมาเตภวตวันตรารโยสุขีธีคายโกภอภิวาฒนาสีลิสนิจังวุฒาปจายโนจตารอธรร ม, มาวาทานติอายุวโนสุขัง ต่อไปนี้ก็เป็นช่วงถามตอบปัญหาธรรมท่านผู้ใดมีคำถามเลยอยากจะถามขอความกรุณาถามได้ตอนนี้เลยเพราะว่าหลังจากที่เลิกประชุมไปแล้วก็จะขอยุติการถามตอบคำถามจากทางบ้านจากคุณละดาภา คำว่ากดแห่งแรงดึงดูดที่กำลังพูดถึงกันอยู่ขณะนี้ที่ว่าอยากได้อะไรหรือต้องการอะไรให้คิดบ่อยๆว่าเราจะได้เราจะได้มาเช่นคิดว่าอยากกินอาหารชนิดนี้วันสองวันมีคนเอามาให้กินหรือขับรถวนหาที่จอดไม่ได้เราก็คิดว่าต้องมีที่จอดหลักการเหล่านี้สัมพันธ์กับหลักข้อใดในพระพุทธศาสนาคะ หลของความหลงไงความโง่แล้วคนที่คาดหวังทุกคนต้องได้สิ่งนั้นไหมคะก็ลองดูสิ <c oughs> คำถามจากผู้ฝากถามที่หลวงพ่อบอกว่าศีลของพระสองรอยยี่สิบเจ็ดข้อนี้มีไว้เป็นกรอบเพื่อความงามของพระแล้วอย่างนักปฏิบัติที่เป็นคราวาสหรือแม่ชีที่ถือศีลแป ซึ่งต่างก็มีจุดหมายเพื่อความหลุดพ้นเหมือนพระแล้วจะมีแนวหรือมีข้อประพฤติไหนที่เป็นไปเพื่อความงามเหมือนพระภิกษุคะก็เอากฎที่พระภิกษุใช้มาใช้ก็ได้ไม่ได้ห้ามไม่ได้สมวันึกกระิ์แต่อยากจะสวยงามเหมือนพระภิกษุก็ไปอ่านกฎของพระภิกษุดู227ข้อแล้วก็ทาตามที่ท่านทำก็จะสวยงามเหมือนพระภิกษุได้ คำถามจากคุณกระโหนกพรข้อแรกพระนิพพานเป็นอัตตาหรืออนัตตาคะอ๋อพระนิพพานไม่ได้เป็นอัตตาหรืออนัตตาพระนิพพานเป็นจิตที่สะอาดบริสุทธิ์หลุดพ้นจากการเวียนว่ายตายเกิดข้อสองดิฉันฟังเทศพระอาจารย์เทศว่าการที่เราอนุโมทนาสาธุในการทําบุญของผู้อื่นทําให้เราได้เจริญเมตตาและมุทิตาจิต ดิฉันเข้าใจว่าทําแล้วทําให้เราจิตใจดีแต่ดิฉันอ่านหนังสือธรรมะเล่มหนึ่งกล่าวว่าการที่เราไปกล่าวชมเชยหรือตําหนิติเตียนผู้อื่นทําให้เราไปติดกรรมดีกรรมชั่วของผู้อื่นซึ่งทําให้เราไม่สามารถเจริญอุเบกขาญาณได้ดิฉันจึงสงสัยว่าเราควรจะชื่นชมยินดีในกรรมดีของผู้อื่นหรือไม่หรือควรรู้แล้วเฉยไว้คะ ก็บางทีมันต้องยินดีเพราะว่าถ้าไม่ยินดีแล้วเราจะทุกข์เช่นสามีเอาเงินของครอบครัวไปทําบุญถ้าคุณไม่ยินดีคุณก็จะทุกข์คุณก็จะเสียใจแต่ถ้าคุณยินดีคุณก็จะได้ความสุขร่วมกับสามีที่เอาเงินไปทําบุญเนีย่ยมันต้องอยู่ที่กรณีถ้าคนอื่นเขาทาบุญแล้วคุณไม่ได้ดีใจเสียใจคุณก็เฉยเฉยมันก็ไม่มีผลแตกต่างอันนี้ไว้สําหรับเวลาที่ มีปัญหาทางใจเช่นพ่อแม่แทนที่จะเก็บเงินไว้ให้ลูกเป็นมรดกพ่อแม่เอาไปทําบุญหมดลูกได้ยินทีไรก็เสียใจทุกทีก็เลยไม่ได้บุญร่วมกับพ่อกับแม่แต่ถ้าถ้ารู้ว่าพ่อแม่ทําบุญแล้วพ่อแม่ได้บุญพ่อแม่ตายไปจะได้ไปเป็นเทวดาเอเราก็อนุโมทนาชื่นชมความยินดีเงินทองพ่อแม่ให้แม่ให้เราก็ไม่เป็นไร เราหาเองได้คิดอย่างนี้แล้วเราก็จะมีความสุขร่วมกับพ่อกับแม่คำถามจากผู้ฝากถามข้อแรกจะทำอย่างไรถึงจะไม่กลัวตายครับก็ต้องใช้สติใช้ปัญญาถึงจะสามารถที่จะหยุดความกลัวตายได้สติก็จะทำให้ใจหยุดคิดถึงความตายได้พอหยุดคิดถึงความตายความกลัวตายก็จะหายไปชั่วคราว แต่พอสติเผลอเมื่มอไหร่ไปคิดถึงความตายใหม่ก็จะเกิดความกลัวตายใหม่ถ้าอยากจะกําจัดความกลัวตายอย่างถาวรก็ต้องพิจารณาความตายว่ามันเป็นเรื่องธรรมดาของร่างกายร่างกายของคนทุกคนเกิดมาแล้วต้องมีวันตายแล้วก็พิจารณาว่าร่างกายนี้เป็นเพียงดินน้ําำลมไฟอากาศสาสองไม่ใช่ตัวเราของเรา เราเป็นผู้มาครอบครองร่างกายเราเป็นนายร่างกายเป็นบ่าวเป็นคนรับใช้เราแต่เนื่องจากเราไม่มีปัญญาเราไปหลงคิดว่าร่างกายเป็นเราพอร่างกายจะตายเราก็เลยคิดว่าเราจะตายไปกับร่างกายเราก็เลยกลัวตายแต่ถ้าเรารู้ว่าร่างกายนี้ไม่ใช่ตัวเราเหมือนเรารู้ว่าคนอื่นนี้ไม่ใช่ตัวเราเวลาคนอื่นตายเราไม่เห็นกลัวเลยเพราะเราไม่ได้ไปหลงคิดว่าเขาเป็นตัวเรา ยัในใดตอนนี้เรามีปัญหาคือเราไปหลงคิดว่าร่างกายนี้เป็นตัวเราเราก็ต้องอปัญญาของพระพุทธเจ้าที่ทรงค้นพบว่าร่างกายนี้ไม่ใช่ตัวเราดูปังอนัตตายห็นไท่านบอกร่างกายไม่ใช่ตัวเราร่างกายทามาจากดินน้ำลมไฟแล้วเวลาตายก็กลับคืนสู่ดินน้ำลมไฟแต่เรานี่เป็นเพียงผู้มาอาศัยมาครอบครองมาใช้ร่างกายเป็นคนรับใช้เราชั่วคราวเท่านั้นเอง ถ้าเรารูความจริงอันนี้พอเวลาที่เกิดความตายขึ้นมาเราก็จะไม่กลัวตายเพราะเรารู้ว่าเราไม่ตายคำถามจากผู้ฝากถามแม่หยิบเงินจากเก๊ะลูกทุกวันโดยที่ลูกบอกว่าให้หยิบได้แต่ไม่ได้ระบุจํานวนไว้แม่ก็หยิบใช้ทุกวันแล้วแต่มากน้อยตามความจําเป็นแม่มีความกั ง, งวลว่าจะบาปไหมเพราะลูกไม่ระบุจํานวนที่แม่ให้หยิบได้ ถ้าไม่ระบุก็แสดงว่าหยิบได้เท่าไหร่ก็ไม่บาปหรอกถ้าก็ระบุแล้วไปหยิบมากกว่า น, นั้นถึงจะบาปนะอ่ปะาปัญหาวันนี้น้อยเนะี่ย <c oughs> มีใครอยากจะถามอะไรไหมวันนี้ยังมีเวลาอยู่พอสมควรเองนั่งคิดดูีิว่ามีปัญหาอะไรอยากจะถามมั้ <c oughs> ยจะมาถามตอนที่เลิกประชุมแนละ้ว อ่ามาขึ้นมาข้างบนถามผ่านทางไมโครโฟนกามธรรมสักการะคะ่ะท่านอาจารย์ของหนูไม่ค่อยปัญหาค่ะแต่ว่ามันน่าจะเป็นขออุบายท่านอาจารย์ว่าหนูจะไปพูดยังไงกับลูกซึ่งเขาอยากให้เขาบวชให้อะคะ่ะ <laughs> <laughs> แล้วเขาก็บอกว่าลางานได้แค่สิห้าวันหนูก็เลยอยากจะบอกว่า แม้ที่ราชการยังไงเขาก็น่าจะให้ได้สักพรรษาอะไรอย่างเงี้ยนะคะหรือสักเดือนก็ได้จะได้รู้เรื่องอะไรบ้างนะคือเรื่องของการ่วนี่โยมไม่ควรที่จะไปขอหรือไปบังคับเขามันควรจะเกิดจากศรัทธาของเขาจะได้ประโยชน์มากกว่าแล้วก็บวดด้วยความจําใจถูกบังคับนี่บางทีอาจจะไม่ได้ประโยชน์ อาจจะเกิดโทษเพราะเขาจะมีอคติต่อการบวชแล้วเขาก็จะมองทุกสิ่งทุกอย่างกลับเป็นตาลปัดไปได้ดังนั้นอย่าไปบังคับคนที่เขาไม่อยากจะทำในสิ่งที่เขาจะต้องทำเลยเขาก็พูดว่าอย่างแม่ก็ปฏิบัติอยู่กับบ้านก็ได้ไม่เห็นจะเดือดร้อนอะไรทำไมต้องบวชเข้าไปอย่างนี้เขาก็ว่าอยู่างนี้คะ่ะแต่แต่บอกไม่เหมือนกันผู้ชายต้องบวช ผู้ชายต้องไปบวชถึงจะได้แต่ผู้หญิงไม่ทำบวชอยู่บ้า น, นทำกับข้าวสมัยนี้บวชสิบห้าวันก็ไม่ได้เลยรหรอกนั่นสิคะโยกก็เลยถึงว่าจะขออุบายท่านอาจารย์ว่าทำไงให้ไปบอกให้บวชให้สักเดือนหนึ่อะไรอย่างเนี้ยข้าไปบอกแม่เป็นมะเร็งหนูอย่าไปอยากเลยปล่อยเขาไปถ้าเขาเป็นคนที่ไม่ กินเหล้าเมายาไม่เล่นการพ น, นันไม่เสเพลงก็มีอาชีพที่ดีที่ถูกก็พอแล้วจะไปอะไรอืแต่เขาก็บอกเขาก็ทําบุญอยู่ทุกวันเขาเป็นหมอไงคะนั่นแหล ะ, ะเขาบอกเขาทาบุญอยู่ทุกวันอยู่แล้วนะแม่แล้วบอกมันไม่เหมือนการให้ให้ให้ไปบวชให้แม่สักหน่อยเธออะไรเงี้ยก็เลยอยากจะําจริงการบวชนี่แม่ก็ไม่ได้อะไรมากหรอกการบวชนี่เขาเป็นคนได้ ค่ะก็อยากให้เขาได้ค่ะเพราะว่าถ้าเขาได้เขาจะได้อยู่กับโลกนี้ไปอีกมดำรงชีวิตของเขาเองนะคะแต่แม่ก็อยู่อีกไม่นานก็เดี๋ยวก็ตายกันออก็ไม่ต้องห่วงไงคะไม่ต้องห่วงก็ปัญหาก็อยู่ที่เราไปอยากให้เขา <c oughs> บวชถ้าเราตัดปัญหานี้ได้ตัดความอยากเขาบวชได้เราก็จะไม่เป็นปัญหาเราต้องพิจารณาว่าเขาเป็นอ น, นัตตาเขาไม่อยู่ภายใต้คําสั่งของเราเออ ทำขอของเราเอเราจะทําอะไรนี้เราไปขอบางทีก็ขอไม่ได้สั่งก็สั่งไม่ได้ค่ะก็ต้องอย่าไปขออย่าไปสั่งแล้วเราจะได้ไม่ทุกข์ใจตอนนี้เราทุกข์ใจซึ่งไม่ควรคเพราะว่าถึงแม้ว่าการบวชจะเป็นสิ่งที่ดีแต่ถ้าเราไปทุกข์ใจกับสิ่งที่ดีมันก็เป็นกิเลสมันไม่ได้เป็นธรรมอังนั้นเราควรที่จะ สนับสนุนเขาเวลาที่เขาต้องการจะบวชแต่ถ้าเขาไม่ต้องการจะบวชก็ปล่อยไปก่อนเวลาอาจจะยังไม่ถึงบัวยังไม่พ้นน้ําก็ได้ต้องรอให้มันจเจริญเติบโตขึ้นมาสักหน่อยออเดี๋ยวพอได้มีประสบะการณ์อะไรมากขึ้นมากขึ้นก็อาจจะเห็นทุกข์มากขึ้นก็อยากจะหาะที่ดับทุกข์เขาก็อาจจะศึกษา ทรรมแล้วก็อาจจะเห็นคุณค่าของการบวชแล้วอาจจะบวชแต่ไม่สึกเลยก็ได้อยากอย่างนั้นแหละค่ะทีนี้ก็กลัวว่าเดี๋ยวยุคที่เขาจะเกิดอยากขึ้นมาไม่มีพระอรหันต์สอนแล้วเนี่ยมันก็ยิ่งยากเข้าไปใหญ่อ่ยังไม่ต้องกลัวหรอกนี่เพียงแค่ถึงพุทธกาลมานี่พรเจ้าบอกสองพันห้าร้อยปีนะอย่าไปกังวลเลยทุกข์เปนต่อเปล่าก็ทําหน้าที่ของเราขอขอเข้า็ดีแล้ว ขอแล้วถ้าเขาไม่ทําตามก็อย่าไปเสียใจนี่ถ้าเขาจะบวชสิห้าวันบอกไม่ต้องบวชหรอกลูกเนาะเอออย่าเสียเงินเสียทองเสียเวลาเลยไปไปอยู่ที่วัดถือพระถือศีลแปดยิงจะดีกว่าสะาดวกกว่าเพราะถ้ามาบวชปั๊มนี้มันต้องมาเรียนพระวินัยของพระมาเรียนวิธีห่มผ้าจีวรมาเรียนวิธีเดินบินธบัติมันไม่ได้ไปเรียนอะไรแล้วไม่ได้ปฏิบัติอะไรถ้าเป็นมาอยู่แบบผ้าขาวนี่ก็มาฝึกสมาธิเดินจงกรมนั่งสมาธิได้เลย อ๋อค่ะงั้นเดี๋ยวหนูจะไปบอกใหม่ไม่ต้องบวชให้แม่ก็ได้ดีบางทีอะเขาพอเราพูดอย่างนี้เขาอาจจ ะ, อ ย, จะอยากจะบวชให้ก็ได้เพราะคนเหล่านี้ยิ่งห้ามยิ่งยุ่ยใช่ไอมถ้าเราไม่ไปขอเขาเดี๋ยวเขาก็อาจจะเห็นใจเราเองแล้วเดี๋ยวเขาก็อาจจะขอบวชเองถ้าไปขอแล้วเขาเหมือนกับถูกบังคับเขาก็ไม่อยากจะทําตามพอเราเลิกขอปับเขาก็เลยอาจจะคิดว่าแม่เราทั้งคน เขอยากจะให้เราบวชทําไมเราบวชให้เขาไม่ได้อย่างหลวงตานี่ก็เหมือนกันเลยหลงตาท่านก็ไม่อยากจะบวชแต่พอพ่อพูดขึ้นมาว่าไม่มีใครที่จะพึ่งได้ายแล้วมีลูกชายกี่คนก็ไม่มีใครบวชให้ก็มีเจ้าบัวนี่แหละที่มันพอจะพึ่งมันได้เอพอได้ยินแค่นี้ท่านลูกเดินหนีไปเลยท่านไม่อยากจะฟังแล้วท่านก็ไม่นั่งคิด คิดหลายตลบในที่สุก็บอกอการบวชมันก็ไม่ได้เป็นการเสียหายอย่างไหนไม่ได้ไปติดทุกติดตรางพ่อแม่เป็นมีผู้มีพระคุณกับเราทําไมเราจะตอบแทนบุญคุณให้กับท่านไม่ได้พอท่านได้มีเวลาคิดท่านก็เลยยอมบวชแต่มีก่อนว่าอย่ามาบอกให้บวชกี่วันก็แล้วกัน <c oughs> แม่บอกว่าโอ้ไม่เป็นไรออกมาจากบวชออกมาจากบวชจะสึกเลยก็ไม่ว่านะ <c oughs> อย่าไปบ่อย่าไปขม่มขูอย่าไปขอเขาพูดครั้งเดียวพอแล้วถ้าเขาไม่อยากจะทางขอไม่เป็นไรนถ้าลูกไม่อยากจะบวชให้แม่แม่ก็ไม่ว่าแล้ะพูดอย่างนี้เดี๋ยวเขาก็ อ, า, อาจจะคิดได้กลับนมัสการพระอาจารย์ค่ะพอดีจะลบกวนสอบถามนะคะเคยได้ยินที่พระอาจารย์บอกว่าถ้าบางคนเนี่ยที่ต้องไปคือพอตอนเสียเนี่ยเขาต้องไปรับโทษทางอบายอ่ะค่ะ แล้วเนี่ยไม่ทราบว่าถ้าสมมติขเขารับโทษเสร็จแล้วเนี่ยแล้วเขามาเกิดเป็นมนุษย์อีกครั้งหนึ่งเนี่ยเขาอ่ะจะมีทางหินธรรมบ้างไหมคะมเขาสามารถเราก็จะต้องทํำยังไงเราสามารถช่วยเขาได้หรือเปล่าคะคือเราต้องช่วยตัวเขาเองอรั<ะ>คือคนเรานี่ไม่ได้ทําแต่บาปเพียงอย่างเดียวทําบุญด้วยทําบาปด้วยว<ะ>แต่พอถึงเวลาต้องไปใช้บาปมันก็ไปใช้พอบาปที่ใช้บวชแล้วก็กลับมา ก็มารับผลของบุญที่เราทำไว้ได้ต่อ อ, อย่างพระเทวทัตนี่ก็บวช<ะ>มาต้องยี่สิบกว่าปีแล้ว<ะ>แล้วก็ไปทำบาปเพราะพยายามที่จะฆ่าพระพุทธเจ้า<ะ>ถึงสามครั้งบาปนี้มันร้ายแรงก็เลยต้องไปตกนรก<ะ>แต่หลังจากที่พ้นนรกมาแล้วท่านก็จะสามารถกลับมาบวชมาปฏิบัติต่อได้<ะ>แล้วก็จะบรรลุเป็นพระพุทธเจ้าต่อไปได้นั้น<ะ>ไม่มีปัญหา ขอให้ทำบุญไว้เยอะๆก็แล้วกันไม่ถึงว่าญาติสามารถช่วยเขาได้หรือเปล่าคะก็ช่วยเขาในการชวนเข้ามาวัดพาเขาไปแต่ถ้าเขาเสียไปแล้ววคะค่ะอ๋อก็ไม่ได้แล้วล่ะก็ทําบุญให้เขาก็ช่วยไม่ได้หรอคะก็ ไ, ไ, ดะได้เพียงนิดน้อยถ้าเขาไปเป็นเปรกเขาต้องการบุญเราก็ส่งบุญไปให้เขาได้บุญนี่ก็เป็นเหมือนอาหารของใจเขาไม่มีบุญเขาก็หิวเขาก็จะมาขอส่วนบุญจากเราอ่ะ ก็ช่วยได้เท่านี้ mm hmm. นอกจากถ้าเราเป็นพระอาหารหันเรามีมตาทีเราติดต่อกับเขาได้เราก็สอนธรรมมให้กับเขาได้ mm hmm. อย่างพระพุทธเจ้านี่พอตัดสรลูแล้วก็คิดถึงแม่ mm hmm. ก็เลยไปหาก็ไปเจอว่าอยู่ในสวรรค์ mm hmm. พอติดต่อกันได้ก็ทรงสอนธรรมะให้อยู่หนึ่งพรรษา mm hmm. จนบรรลุเป็นพระโสดาบันได้ ก็ช่วยได้แบบนี้แต่เราต้องมีตาที่ผู้ทิพย์ก่อ น, นต้องมีเป็นพระอริยบุคคลก่อนถึงจะสอนเขาได้ไไดตอนนี้สอนเราก่อนเถอะอย่าเพิ่งไปสอนเขาเลยช่วยตัวเองก่อนช่วยตัวเองให้ได้แล้วค่อยไปช่วยคนอื่นต่อถ้าเรายังช่วยตัวเองไม่ได้เราไปช่วยคนอื่นได้อย่างไร กลับมาเทศการพระอาจารย์ครับพอดีผมผมชื่อปิยะพอดีเพิง่งมาที่นี่ครั้งแรกนะครับก็สืบเนื่องจากที่มีคนถามเมื่อกี้นี้เกี่ยวกับเรื่องศีล น, นะครับเรื่องการถือศีลจะขออนุญาตอาพระอาจารย์ช่วยขยายความคําว่าศิลตุปาทานนิดหนึ่งได้ไหมครับไม่เคยได้ยินมาก่อนนะท่านคุณได้ยินมาจากที่ไหนอ่ะ มันจะมีคําว่าศิลปตุปาทานกับศิละปะศิละปะศิละปะตะปะาปา마สศิลป ะ, ะตะปาปาลมาสครับศิลป ะ, ะตะปาลามานี้เป็นสังโยชน์เครื่องมัดใจให้ติดอยู่กับการเวียนว่ายตายเกิดศิลป ะ, ะตะปาลามาก็คือการบําเ พ, พ็ญพุทธการปฏิบัติทํานอกคําสอนของพระพุทธเจ้าเพราะไม่รู้คาสอนของพระพุทธเจ้าก็เลยไปทําตามความรู้สึกนึกคิด แต่เมื่อเช้านี้ก็มีผู้หญิงท่านหนึ่งมาบอกว่าจะเปลี่ยนชื่อเราบอกอย่าเปลี่ยนชื่อเลยถ้าคนเดิมเปลี่ยนไปกี่ชื่อมันก็เหมือนเดิมถ้าอยากจะเปลี่ยนต้องเปลี่ยนคนเข้าใจไ่มถ้าเป็นคนไม่มีศีลก็เป็นเปลี่ยนเป็นให้เป็นคนมีศีลเสียถ้าเป็นคนไม่มีความสงบก็เปลี่ยนนะให้เป็นคนที่มีความสงบเสียแล้วก็จะดีถ้าเปลี่ยนชื่อเนี่ยมันไม่ได้เปลี่ยนอะไรคนที่ชื่อดีๆติดคุกติดตารางก็มีเยอะแยะไป ดังนั้นคนที่ไม่รู้ว่าวิธีที่จะทำให้หลุดพ้นจากความทุกข์นั้นเกิดจากการปฏิบัติตามคำสอนของพระพุทธเจ้าเช่นทำทานรักษาศีลภาวนามีความกตัญญูกะตะเวทีต่อปิดามารดาต่อผู้มีพระคุณอันนี้เป็นการกระทำที่จะทำให้เราหลุดพ้นจากความทุกข์ได้ แต่ถ้าเรามีความทุกข์แล้วเราก็ไปหาหมอดูหมอดูเขาบอกว่าให้บูชาลาหุนซื้อของสีดำแปดชนิดมาบูชาทำานี้ก็เรียกว่าเป็นศีลรับพระสารประมาคือไม่ได้แก้ปัญหาของเราอย่างแท้จริงหรือไปเปลี่ยนชื่อเปลี่ยนทรงผมถ้าไปหาหมอจีนเขาก็บอกว่าหมอแห้งไม่ดีผมต้องเปลี่ยนทรง ิดหน้าไม่ได้ต้องให้มันเงยหน้าขึ้นจะได้สง่าพาเผยว่ากันไปอันนี้เป็นเรื่องของสมมุตินิยมคิดกันขึ้นมาเองโดยไม่มีไม่มีความจริงมาสนับสนุนเราเรียกว่าศีลรัตตปรามาสพอะจะเข้าใจาแล้วนะดีใครยากระถามต่อไหม เห็นมานั่งตรงนั้นคิดว่าอยากจะมาถาม <c oughs> ถ้าไม่มีก็คิดว่าพอสมควรแก่เวลาขอให้ท่านทั้งหลายได้นำสิ่งที่ได้ยินได้ฟังในวันนี้ไปพินิจพิจารณาไปปฏิบัติเพื่อความสุขความเจริญก้าวหน้าในธรรมยิ่งยิ่งขึ้นไปเถอด